เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำที่พึ่งให้มีแก่จิตใจให้พึ่งความดีพูด ง, ง่ายๆความดีนี่มันมีความหมายกว้างขวางมากสิ่งใดที่เมื่อทำลงไปแล้วมันนำมาซึ่งความสุข จิตสุขใจความสงบใจได้นั่นแหละชื่อว่าความดีทั้งนั้นเลยสิ่งใดถ้าทำลงไปแล้วมันทำให้ใจเศร้ามองขุนมัวเดือดร้อนนั่นแหละชื่อว่าทำไม่ดีนี่ว่าเป็นส่วนรวมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรา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 การที่เราถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอ้อนวอนเพียงแต่แค่อ้อนวอนขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาตั้งอยู่ในใจข้าพเจ้าขอให้ใจข้าพเจ้าส ง, งบอธิษฐานเท่านี้แล้วก็ไม่สะกดจิตตัวเองให้อยู่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 เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีกําลังใจเข้มแข็งได้ก็เพราะตัวเองนั่นแหละอดกั้นทนทานเอาวะทีแรกเนี่ยมันก็ต้องอดต่ออํานาจของกิเลส ท, ที่มันชวนให้คิดไปนน่นไปนี่อะไรอดไม่คิดอย่างนี้นะเอากันใกล้ๆนี่หละไม่ต้องอะไรกันมากมไหอฮะ อดซะอย่างเดียวแล้วนะมันเอาชนะไปได้หมดเลยแต่คนส่วนมากมันไม่อดนี่มันไม่สร้างขันติทรรมให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปสงบได้อย่างไรอาบ น, นี่ันนี้ก็บารมีธรรมที่พระพุทธเจ้าสร้างมามุนนั่นก็เพื่อเป็นกำลังใจของพระองค์นั่นแหละ ให้ใจพระ อ, องค์เข้มแข็งเปิดเอาชนะกิเลสตัณหาบาปประธรรมนั่นแม้เราผู้เป็นบริษัทของพระ อ, องค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องได้สร้างบา ร, รมีเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเนี่ต่างแต่ว่าอยู่ในวงแคบกับวงกว้างกว่ากันเท่านั้นเนี่ยสาหรับพระพุทธเจ้านั่นพระ อ, องค์ต้องสร้างบา ร, รมีแบบวงกว้าง เพราะว่าพระ อ, องค์มุ่งที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพานธรรมเนียมของพระพุทธเจ้ า, าเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สร้างวา ร, รมีมากอย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับผู้ไม่ได้ฝ่าสนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้สร้างกลองขวั่งประนั้นแต่ว่า ก็จำเป็นต้องสร้างบา ร, รมีสิบประการเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่าไปสงสัยเลย <c oughs> <c oughs> เช่นทานการให้อย่างนี้นะ <c oughs> ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆแล้วแหละแต่ต้องพูดอีกกันลืม <c oughs> ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานอย่างหนึ่งให้อภัยทานอย่างหนึ่งนี่ เราให้เอาภัยกันนะในเมื่อเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเผลอตัวและล่วงเกินตนมากระทบกระทั่งตนทาไม่กระทบกระทั่งทางกายก็พูดกระทบทางวาจาหรือกว่าพูดคำหยาบโลนพูดคำเสียบแทงบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยความไม่พอใจอย่างนี้นะ เราผู้บำเพ็ญทานประเภทนี้นวะเราไม่ถือสาหาความเรายกโทษให้เลยให้อาภัยไปเราไม่ตอบโต้เนี่ยอันนีนะ้เป็นทานปรมัติบารมีทานอย่างยิ่งทานอย่างสูงเพราะฉะนั้นเพิ่งพากันเข้าใจอย่าไปมุ่งแต่เพว่าจะไปขวนขวายหาแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นมาให้ทานนะ มันต้องมีทานชนิดนี้ประกอบเข้าไปด้วยมันก็จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสตัณหาบาปประรรมได้ถ้าใครไม่ยอมบำเพ็ญธรรมทาน อ, อ, อภัยทานอย่างที่ว่านี่นะกิเลสตัณหาจาักไม่สิ้นไปได้เลยแม้จะบำเพ็ญบารมีอื่นๆก็ตามนะมันก็ บารมีเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะละกิเลสได้แต่ถ้าผูใ้ใดตั้งอธิษฐานในใจลงไปว่าเอาและนับแต่นี้ไปเราจะไม่ผูกกรรมทาเวรกับใครใครมาล่วงเกินตนแล้วเราจะให้อภัยไปทั้งนั้นแหละเราจะไม่โตตอบแก้แค้นเลยอย่างนี้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 ก็ดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เราจะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเราทำกรรมอะไรไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืไป อันที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนในพิรณากวันถวันอย่างนี้นั้นก็พิญาเพื่อให้เกิดความสังเวชสะลุดใจและเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตนี่นะอะ่นั่นแหละการที่ดวงขิตมาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันไม่เที่ยงนี้นะมันควรเบื่อหน่ายได้เพราะว่าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ว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 ถึงแก่ลงไปร่างกายซุบซรแล้วก็ยังสำคัญอ ด, ดตนเป็นหนุ่มอยู่นั่นแหละเมื่อตันหามันย้อมใจนะบางคนอายุตั้งแปดสิบกว่าปีแนละ้วยังแสวงหาเมียอยู่อ่เมียเก่าตายแล้ววันนี้เอาไปสแสวงหาเมียไหมยอยู่นู่นนั่นแสดงว่าตันหามันย้อมจิตย้อมใจอย่างรุนแรงนะ จนนึกถึงความแก่ความชราภาพของตนไม่ได้เลยมันน่าทุเรสเพียงไหนอะผู้เช่นนั้ น, นเลยไม่ได้ขวัขวายในซากการบุญการกุศลไม่ได้สร้างบา ร, รมีอันจะนำตนในพ้นจากทุกข์ไปได้เลยมัวตั้งแต่ไปติดไปคล้องอยู่ในสัมผัสอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านั้น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 ได้มาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาปรับทุกข์กันอยู่อย่างนี้อ่าโอ๊ยทำอย่างไรจึงจะมีเงินใช้หัวทำอย่างไรจึงจะมีบ้านใหญ่ๆโตอยู่ทำอย่างไรถึงจะมีรถดีๆงามๆขี่กขาเขาอ่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่ แก่ไม่ชำระสุดสมง่ายหาหนทางป้องกันเนี่ยหาเครื่องประดับประดาตกแต่งหาน้าหมูกน้ามันแป้งอะไรมาฉลออยู่เรื่อยหาเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆ ม, มาสวมเข้าใส่ไว้ให้ปรากฏว่ายังสวยพริ้งอยู่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 ปรากฏว่าสวยงามแต่เวลาตกแต่งนั้นแหละฮันเมื่อหยุดตกแต่งไปแล้วมันก็ของเก่าอ่มันสำลุดซุดโทมอยู่อย่างไรมันกบสุดโสมอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่ามนุษย์เรามนันหลงอย่างว่า <c oughs> อันนี้แหละบุสดแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคคลไม่มีบา ร, รมีไม่มีบุญบา ร, รมีเป็นกําลังใจอ่ะ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 <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสเสวงหาที่พึง่ง <c oughs> <c oughs> ดังพระพุทธภาษิต ท, ทรงตัดไว้ว่าสนาถภิกขเววิหราระธามาอน า, า่า <c oughs> ดุขัางอนาโทวิหารติ <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทงหลายท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่ง<ม>บุคคลผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ดังนี้<ม>ตามพระพุทธภาษิตนี้มีความหมายว่าพราะองค์ทรงให้ สั่งสมบุญสั่งสมคุณให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบุญคุณนี่เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขความสงบให้แก่จิตใจได้จริงๆริงคำว่าเป็นที่พึ่งหมายความว่าทำใจให้สงบให้เยือกเย็นสบายได้นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่ง ทันสิ่งใดที่มาทำใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนนั้นใครล่ะจะว่าเป็นที่พึ่งนั่นน่ะเป็นเป็นสิ่งที่มาทำลายเนี่ยอือนั่นต้องเข้าใจเป็นสิ่งที่มาทำลายจิตใจให้หายจากความสุขความสบายกลายเป็นความทุกข์ความร้อนไป อ, อ่อย่างนี้อ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นแหละ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 ออกจากขันห้านี้ออกไปก็สอนให้มันปล่อยมันวางอย่าให้มันหลงยึดมัน่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา <c oughs> ถ้าผูใ้ใดตั้งใจไว้อย่างว่านี่มันก็เป็นไปได้จริงๆเลยเลื้ยงมันนะเพราะเราโมงความสงบใจเนี่ยเป็นที่ตั้งนะทาอะไรก็เพื่อให้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 แล้วนอกจากนั้นก็ทัางได้สละเงินทองลงทุนซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์การทำสวนทำนามาอย่างนี้นะมันก็จึงได้หมากได้ผลทำไมลงทุนอย่างนี้นะมันเอาอะไรจะมาได้รับผลละ่ะทำนาก็เมื่อไม่ทำมันก็ไม่ได้เข้าอย่างนี้สวนเมื่อไม่ทำก็ไม่ได้บริโภคผลไม้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 การทำงานได้เงินทองเข้าของมาแล้วมาบารุงครอบครัวมันก็ไม่เดือดร้อนแบบวันนี้นะในว่าสงบจากความเดือดร้อนจากความหอยหิวจากความขาดแคลนเมื่อได้ปัดได้อาศัยปัจจัยภายนอกนั้นแล้วมันก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทาบุญได้ให้ทานได้ฟังธรรม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 ไปในทางอื่นนู่นไม่ได้คิดว่าจะละกรรมมันชั่วตนยังทำกรรมชั่วใดอยู่ก็ยังไม่คิดละมันอย่างนี้น ะ, ะก็ชื่อว่าผู้ไม่ทำงานแหละทีนี้เมื่อไม่ไม่ทำงานอย่างว่านี่นมันก็มันก็ต้องได้ทำงานเรื่อยไปไม่หยุดยัางแล้วแบบนี้นะเอ้าทำยังไงลนะ่ะ เอา้ามันก็ต้องเดินลงไปกระโดดลงสู่มอนรกนู่นแหละสะสมบาปกรรมชั่วไวมากๆนะมันก็ไปร้องครวญครางอยู่ในนรกเนี่ยนั่นแหะเรียก ว, ว่าต้องได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์ความทุกข์ทนทรมานอันนี้มันก็เรียก ว, ว่างานอันหนึ่งหลยงานของสัตว์นรกได้แก่การเจ็บปวด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 นั่นเข้าใจผิดเหลือเกินนะมันจะสบายได้ยังไงในเมื่อชีวิตนี้นะมันเต็มไปด้วยค้าศึกคือกิเลสบปาประธรรมอะเมกหมมอยู่นี่มาหลายชาติหลายภพแล้วนะที่ลวงแล้วมาชาตินั่นก็สะสมไวบ้บางชาตินี้ก็สะสมไวบ้บางอย่างนี้นะสะสมกิเลสบปาปธรรม เมื่อมันเป็นเช่นนี้แนละ้วมันก็ชีวิตนี้มันจะเป็นอิสระได้ยังไงเล่าอิทธิพลของบาปกิเลสบาปประธรรมอะ่ะมันครอบงามันฉุดคล้าไปสู่ทุกข์มันให้ไปทาในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษตัวตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของบาปประธรรมแล้วบาปรธรรมนะ้นมันก็บังคับให้ไปทาชั่วแลนะ้ว สายของใครของมันนี่นั่นเนี่ยจะไปเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็มันก็บริสุทธิ์ไปเองหรอกกายวาจาใจนี่อย่างนี้นั่นเข้าใจผิดท่านเรียกว่าอักกิริยทิฏฐิมีความเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธิ์ไปเองมันหรอกนานไปนานไปมันถักบริสุทธิ์ไปเองมัน อันนี้แ่ะท่านเนียกวาอากิริยาทิธฐินะความเห็นว่าไม่ไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธ์เองมันนะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นต้องทำา อ, อ้อนี่แหละเราอดเราทนสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไปกิเลสตัณหาอันไหนมันจะจูงให้ไปกระทาความชั่วเราไม่เอา